ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสีขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ข้อเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทลุลนันทารู้อยู่ไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทําคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะจริงหรือภิกษุทั้งหลายตุลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตําหนิว่า